ที่สโลกที่ไร้ที่ตั้งการดำรงอยู่ในระดับที่สมประกอบด้วยสติปัญญาจากจิตสำนึกระดับนี้สามารถเรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งความจริงสูงสุดโลกแห่งจิตวิญญาณดินแดนแห่งความเป็นไปได้ตัวตนสากล หรือสติปัญญาที่ไร้ที่ตั้งซึ่งเป็นระดับที่ข้อมูลข่าวสารและพลังงานปรากฏขึ้นจากพ่วงแห่งความเป็นไปได้ทั้งหลายธรรมชาตินั้นโดยพื้นฐานที่สุดแล้วไม่ใช่วัตถุมันไม่ใช่กระทั่งแอนของพลังงานและข้อมูลข่าวสาร แต่มันคือความเป็นไปได้ล้วนๆระดับความจริงที่ไร้ที่ตั้งนี้ปฏิบัติการอยู่เหนือมิติของ อ, ว ก, ก ว, ก อ, อ, งอวกาศและการเวลานั่นก็คือมิติของอวกาศและการเวลานั้นไม่ได้ดํารงอยู่ในระดับนี้เท่านั้นเองและที่เราเรียกว่าไร้ที่ตั้ง ก็เพราะว่ามันไม่สามารถกำหนดได้ด้วยสถานที่ตั้งมันไม่ได้อยู่ในคุณหรือข้างนอกนั้นสติปัญญาของโลกแห่งจิตวิญญาณคือสิ่งที่จัดระบบระเบียบแองพลังงานให้เป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้มันคือสิ่งที่จัด อนุภาคขวัตั้มทั้งหลายให้รวมเป็นอะตอมอะตอมให้กลายเป็นโมเลกุลโมเลกุลเป็นโครงสร้างมันคือพลังแห่งการจัดระเบียบที่อยู่เบื้องหลังทุกสิ่งนี่อาจเป็นแนวคิดที่เข้าใจยากวิธีการคิดท ง, ง่ายเกี่ยวกับยินแดนแห่งความเป็นจริงสูงสุดนี้ คือการรับรู้ลักษณะที่แท้จริงทั้งสองด้านของความคิดคุณขณะที่คุณอ่านตัวหนังสือเหล่านี้ตาของคุณกําลังมองตัวหนังสือสีดำที่พิมพ์อยู่บนหน้ากระดาษและจิตใจของคุณกําลังตีความสิ่งพิมพ์นี้เป็นสั ญ, ญลักษณ์ต่างๆเช่นเป็นตัวหนังสือและคํา แล้วจึงพยายามสรุปความหมายเหล่านั้นแต่ถ้าย้อนกลับไปดูและถามว่าใครคือผู้กระทำการอา่านอะไรคือจิตสำนึกที่เป็นพื้นฐานความคิดของคุณจงพยายามตระหนักถึงกระบวนการภายในทั้งสองด้านนี้จิตใจของคุณกำลังยุ่งอยู่กับการถอดรหัส การวิเคราะห์และการตีความดังนั้นแล้วใครคือคนที่กระทำการอาการเอาใจใส่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เราสับสนนี้คุณอาจกระหนักได้ว่ามีลักษณะอย่างหนึ่งภายในตัวคุณซึ่งเป็นพลังที่มักกระทำสิ่งต่างๆที่คุณพบ นี่คือจิตวิญญาณหรือสติปัญญาที่ไร้ที่ตั้งซึ่งคุณจะพบกับสิ่งนี้ได้ในดินแดนแห่งความเป็นจริงสูงสุดเช่นที่ข้อมูลข่าวสารและพลังงานพยายามสร้างโลกทางกายภาพโลกที่ไร้ที่ตั้งนี้ก็ได้สร้างและรังสรรค์ การทำงานของข้อมูลข่าวสารและพลังงานตามที่ด e ็อเตอร์แวรลี่ดอสซี่นักเขียนยอดนิยมและผู้บุกเบิกงานทางด้านอภิปรัชญากล่าวว่าเหตุการณ์ต่างๆในโลกที่ไร้ที่ตั้งนี้มีคุณลักษณะ ส, สามประการซึ่งแตก ต, ต่างอย่างชัดเจนกับเหตุการณ์ที่ถูกจำกัดอยู่ในโลกทางกายภาพ เหตุการณ์เหล่านี้จะสัมพันธ์ร่วมกันและความสัมพันธ์กันนี้จะไม่สื่อถึงกันไม่ลดน้อยลงและส่งผลในทันทีรงมาสำรวจคร่าวๆว่าเขาหมายความว่าอย่างไรพฤติกรรมของเหตุการณ์ต่างๆในระดับอนุภาค ย, ย่อย จะสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยไม่ได้เป็นเหตุผลไม่ได้เป็นเหตุและผลต่อกันหมายความว่าเหตุการณ์หนึ่งไม่ได้เป็นสาเหตุของเหตุการณ์อื่นๆแต่คุ ณ, ณสมบัติของเหตุการณ์นั้นจะสัมพันธ์โดยตรงหรือประสานกับเหตุการณ์อื่นๆอาจากล่าวได้ว่ามันดูเหมือนกับการเคลื่อนไหวไปตามท่วงทํานองเดียวกัน ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เชื่อมต่อซึ่งกันและกันในระบบประสาทสัมผัสปกติสิ่งนี้หมายถึงไม่สื่อถึงกันความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างเหตุการณ์ต่างๆในโลกที่ไร้ที่ตั้งนี้ยังไม่สามารถทาให้ลดน้อยลงได้อีกด้วยซึ่งหมายความว่าพลังความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ร่วมกันนี้ จะไม่ลดน้อยลงต่อเนื่องด้วยระยะห่างในพื้นที่และเวลาตัวอย่างเช่นถ้าคุณกำลังถ้าคุณกับผมกำลังคุยกันอยู่ในห้องห้องนี้เสียงของผมในห้องนี้อาจดูแตกต่างกับเสียงที่เรายืนคุยกันคนละฟากถนนซึ่งระยะห่างที่มากขึ้น ทำให้เสียงของผมเบาลงมากถ้าคุณสามารถได้ยินผมทั้งหมดแต่ถ้าคุณอยู่ในโลกที่ไร้ที่ตั้งผมจะถูกได้ยินอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องคำงนึงว่าผมจะยืนอยู่ข้างๆคุณอยู่คนละฝ้าถนนห่างออกไปอีกหนึ่งไมล์หรือแม้แต่คนละทวีปก็ตาม ข้อที่สคือส่งผลในทันทีหมายความว่าไม่จำเป็นต้องมีการเดินทางของเวลาสำหรับเหตุการณ์ในโลกที่ไร้ที่ตั้งนี้เราทุกคนคุ้นเคยกับข้อเท็จจริงที่ว่าแสงและเสียงเดินทางด้วยความเร็วที่ต่างกันนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงเห็นฟ้าแลบช่วงนี้ ก่อนจะได้ยินฟ้าร้องในโลกที่ไร้ที่ตั้งนี้ไม่มีเหตุการณ์ที่ล่าช้าในเรื่องเวลาเช่นนั้นเพราะความสัมพันธ์ร่วมกันในโลกที่ไร้ที่ตั้งไม่ได้เป็นไปตามกฎฟิสิกส์ยุคดั้งเดิมไม่มีสัญญาณไม่มีแสงและเสียงไม่มีสิ่งที่ต้องเดินทาง ความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในดินแดนแห่งความเป็นจริงความเป็นจริงสูงสุดหรือโลกที่ไร้ที่ตั้งเกิดขึ้นในทันทีทันใดโดยไม่มีสาเหตุและไม่มีการผ่อนลงเนื่องจากเวลาหรือระยะทางสติปัญญาที่ไร้ที่ตั้งนี้อยู่ทุกผลทุกแห่งพร้อมๆกัน และก่อให้เกิดผลกระทบมากมายหลายประการในสถานที่ต่างๆพ้อมกันได้จากดินแดนแห่งความเป็นจริงสูงสุดนี้เองที่ทุกสิ่งในโลกได้รับการจัดระเบียบเกิดขึ้นพร้อมๆกันดังนั้นนี่คือแหล่งกำเนิดของความบังเอิญซึ่งสำคัญมากต่อการวิคิดชีวิตอย่างประจุกมอง เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตจากระดับนี้คุณจะสามารถบรรลุความปรารถนาทุกประการของคุณได้เองคุณสามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้การพิสูจน์ให้เห็นถึงดินแดนแห่งความเป็นจริงสูงสุดดินแดนแห่งความเป็นจริงสูงสุดไม่ใช่การสร้างขึ้นจากจินตนาการ หรือเป็นผลจากการที่มนุษย์บางคนทวิญหาพลังแห่งจักรวาลที่ยิ่งใหญ่กว่าพลังของตัวเราเองถึงแม้ว่านักปรัชญาทั้งหลายจะได้พกเทียงและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของจิตวิญ ญ, ญาณการดำรงอยู่ของจิตวิญ ญ, ญาณหลายพันปีไม่ได้ข้อยุติ จนกระทั่งศตรวตรรษที่20ที่วิทยาศาสตร์สามารถนำเสนอหลักฐานการดำรงอยู่ของสติปัญญาที่ไร้ที่ตั้งนี้ได้ซึ่งการนำเสนอความคิดเห็นที่จะกล่าวต่อไปนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนสักหน่อยแต่ถ้าคุณอ่านจนจบผมหวังว่าคุณจะเติมเต็มความรู้สึกประหลาดใจและตื่นเต้นเช่น เ, นเดียวกับผมที่ผมเคยรู้สึก เมื่อได้เรียนรู้เรื่องนี้เป็นครั้งแรกเช่นที่คนส่วนใหญ่เรียนรู้ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ว่าจักรวาลถูกสร้างขึ้นจากทั้งอนุภาคของแข็งและคลื่นแล้วเราก็ได้รับการสั่งสอนว่าอนุภาคเป็นส่วนประกอบของวัตถุของแข็งต่างๆในโลกตัวอย่างเช่น เราเรียนรู้ว่าหน่วยที่เล็กที่สุดของวัตถุเช่นอิเล็กรรอนในอะตอมหนนั้นเป็นอนุภาคในทำนองเดียวกันเราถูกสอนว่าคลื่นและคลื่นเสียงและคลื่นแสงไม่ได้เป็นของแข็งเราจึงไม่เคยสับสนระหว่างสองสิ่งนี้อนุภาคคืออนุภาค และคลื่นก็คือคลื่นต่อมานักฟิสิกส์ได้ค้นพบว่าอนุภาคย่อยเป็นส่วนประกอบของสิ่งที่รู้จักกันว่าเป็นกลุ่มคลื่น wave packet ถึงแม้ว่าโดยพื้นฐานแล้วคลื่นของพลังงานจะต่อเนื่องกันและมีจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่มีระยะเท่าเท่ากัน แต่กลุ่มคลื่นคือการกระจุกตัวของพลังงานจินตนาการถึงกลุ่มกราฟที่มีจุดขึ้นและลงที่ถีและแห้มซึ่งแสดงให้เห็นถึงช่วงความกว้างของคลื่นมีคำถามสองข้อที่เราอาจถามเกี่ยวกับอนุภาคในกลุ่มคลื่นนี้ ึ้นหนึ่งมันอยู่ที่ไหนและสองโมเมนตัมมีค่าเท่าไหร่นักฟิสิกส์ค้นพบว่าคุณสามารถถามคำถามนี้ได้เพียงข้อเดียวคุณไม่สามารถถามคำถามทั้งสองข้อตัวอย่างเช่นเมื่อคุณถามว่ามันอยู่ที่ไหนแสดงว่าคุณกำหนดให้มันอยู่ในตำแหน่งหนึ่ง มันจึงกลายเป็นอนุภาคแต่ถ้าคุณถามว่าโมเมนตัมของมันมีค่าเท่าไหร่คุณได้ตัดสินใจแล้วว่าการเคลื่อนที่เป็นปัจจัยสำคัญดังนั้นคุณจะต้องพูดเกี่ยวกับคลื่น และนี่ใช่สิ่งที่เรากำลังคุยกัน่หรือไม่อนุภาคคลื่นเป็นอนุภาคหรือคลื่นมันขึ้นอยู่กับว่าคุณตัดสินใจเลือกถามคําถามไหนในสองข้อนั้นณช่วงเวลาหนึ่งอนุภาคคลื่นสามารถเป็นได้ทั้งอนุภาค หรือคลื่นเนื่องจากเราไม่สามารถรู้ได้ถึงตำแหน่งที่ตั้งและโมเมนตัมของอนุภาคคลื่นในความจริงแล้วมันถูกพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นทั้งอนุภาคและคลื่นพร้อมๆกันจนกว่าเราจะวัดตำแหน่งได้หรือวัดโมเมนตัมของมันได้แนวคิดนี้เป็นที่รู้จักกันว่า หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กและเป็นส่วนประกอบพื้นฐานข้อหนึ่งของฟิสิกส์ยุคใหม่ลองนึกถึงภาพกล่องที่มีฝาปิดกล่องหนึ่งพร้อมด้วยอนุภาคคลื่นในกล่องนั้นคุณสมบัติที่แท้จริงของมันยังไม่ถูกกำหนด จนกระทั่งเราสังเกตรหรือวัดมันได้ในวิธีใดวิธีหนึ่งในช่วงเวลาก่อนการสังเกตคุณสมบัติเฉพาะของมันเป็นศักยภาพล้วนๆซึ่งมันเป็นได้ทั้งคลื่นและอนุภาคและมันยังคงอยู่ในดินแดนแห่งความเป็นจริงสูงสุดเท่านั้นแต่หลังจากการสังเกตรหรือมีการวัดเกิดขึ้น ศักยภาพล้วนๆได้สลายลงสู่สภาวะที่จริงแท้เพียงด้านเดียวซึ่งอาจเป็นอนุภาคหรือคลื่นย่างได้อย่างหนึ่งตามวิธีการทั่วไปในการประเมินค่าต่างๆในโลกโดยขึ้นอยู่กับประสาทสัมผัสนั้นความคิดที่ว่าสิ่งของสิ่งหนึ่งสามารถอยู่ในสภาวะที่มากกว่าหนึ่งในเวลาเดียวกันเป็นสิ่งที่ค้านกับสัญชาตญาณโดยสิ้นเชิง แต่นี่เป็นความมหัศจรรย์ของโลกแห่งควอนตัมการทดลองทางความคิดที่โด่งดังของเออร์วินชโรดิงเจอร์นักฟิสิกส์ท่านหนึ่งได้ชี้ให้เห็นถึงปรากฏการณ์ที่น่าพิสวงซึ่งเป็นไปได้ในฟิสิกส์ควอนตัมลองนึกภาพว่าคุณมีกล่องกล่องนึง ที่ปิดฝาอยู่ภายในบรรจุอนุภาคคลื่นหน่วยหนึ่งแมวตัวหนึ่งที่เปิดอันหนึ่งและชามอาหารของแมวที่ฝาปิดไว้ห ล, ลวมถ้าอนุภาคคลื่นเป็นอนุภาค มันจะงัดที่เปิดแล้วทำให้ฝาชามอาหารของแมวเปิดออกและแมวก็จะได้กินอาหารแมวกินอาหารได้ถ้าอนุภาคคลื่นเป็นคลื่นแต่ฟ้าก็ยังคงค้างอยู่บนชามเหมือนเดิมแล้วเมื่อเรา เปิดฝากล่องออกเพื่อที่จะทำการสังเกตรเราอาจพบได้ทั้งชามอาหารของแมวที่ว่างเปลา่าและแมวมีความสุขหรือชามอาหารที่เต็มและแมวหิวโซตัวหนึ่ขึ้นอยู่กับประเภทของการสังเกตที่คุณกระทำและสิ่งที่จะทำให้คุณสับสนก็คือก่อนที่เราจะมองดูในกล่องและทำการสังเกตนั้น ชาห์มอาจเป็นได้ทั้งว่างเปล่าและมีอาหารอยู่เต็มและแมวก็อิ่มและหิวได้พร้อมๆกันในช่วงเวลานั้นมีความเป็นไปได้ทั้งสองอย่างคงอยู่ในเวลาเดียวกันมันคือการสังเกตเท่านั้นเองการสังเกตที่เปลี่ยนความเป็นไปได้ มาสุ่กวาเป็นจริงและยังมีการทดลองหนึ่งที่ดูชัดเจนเหมือนการทดลองนี้นั่นคือเมื่อเร็วๆนี้นักฟิสิกส์ได้ประสบความสำเร็จในการพิสูจน์ปรากฏการณ์นี้โดยการแสดงให้เห็นว่าอะตอมของธาตุเบอร์เรียมที่ชาร์จไฟและยังไม่ได้กระทําการสังเกต สามารถอยู่ในตำแหน่งสองจุดที่แยกจากกันได้ในเวลาเดียวกันบางสิ่งที่ทำให้จิตใจจนตรอกมากขึ้นอาจเป็นเรื่องของความคิดที่ซ้ำซากไม่สิ้นสุดที่ว่าของสิ่งหนึ่งที่อยู่ในตำแหน่งที่แยกกันชัดเจนสองจุดเป็นเรื่องที่ขัดแย้งต่อความจริง อาจกล่าวว่าเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกันในสถานที่คนละแห่งจริงๆแล้วมันอาจเป็นการเพื่อนที่ของเหตุการณ์เพียงเหตุการณ์เดียวลงนิกภาพปลาตัวเดียวในท้งน้ำที่ติดตั้งกล้องวิดีโอสองตัวบนันทึกภาพกลั่นการเคลื่อนไหวของมันกล้องตัวหนึ่งอยู่ที่มุมขวาของอีกตัวหนึ่ง แล้วนำภาพที่ถ่ายไว้แต่ละกล้องมาฉายบนจอมาฉายบนจอภาพคนละจอในอีกห้องหนึ่งคุณกำลังนั่งดูภาพสองจอทั้งสองในห้องนี้คุณจะเห็นปลาที่แตกต่างกันสองตัวแล้วคุณก็รู้สึกแปลกใจเมื่อปลาตัวหนึ่งว่ายเลี้ยว หรือว่ายไปในทิศทางนั้นๆและพฤติกรรมของมันก็สัมพันธ์กับพฤติกรรมของปลาอีกตัวหนึ่งโดยตรงแน่นอนว่าคุณไม่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นหลังฉากแต่ถ้าคุณรู้คุณก็จะทราบว่ามีปลาเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นถ้าเรายื่นวางกล้องหลายๆตัวในที่มุมอื่นๆ อ, อีกและฉายภาพบนจอแต่ละจอในห้องเดียวกัน คุณจะรู้สึกประหลาดใจว่าปลาแต่ละตัวนี้มีการติดต่อสื่อสารร่วมกันกับตัวอื่นๆโดยฉับพลันผู้อย่างรู้เหตุการณ์นในอนาคตทั้งหลายกล่าวว่าสิ่งที่เราพบเห็นอยู่ทุกวันนี้คือความจริงที่ยื่นออกมาซึ่งเหตุการณ์และสิ่งต่างๆดูเหมือนจะแยกจากกันทั้งสองด้าน สถานที่และเวลาแต่ในดินแดนที่ล้ําลึกลงไปนั้นเราทุกคนล้วนเป็นส่วนประกอบของร่างกายเดียวกันและเมื่อส่วนหนึ่งของร่างกายเคลื่อนไหวแต่ละส่วนของร่างกายนั้นก็จะได้รับผลในทันทีนักวิทยาศาสตร์ได้นําเสนอ ระดับการดำรงอยู่ระดับหนึ่งเรียกว่าไฮเปอร์สเปซแปดมิติของมินคอฟสกีในมิติที่เราสามารถเข้าใจได้ด้วยหลักคณิตศาสตร์ระยะห่างระหว่างสองเหตุการณ์สองเหตุการณ์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นห่างจากการขนาดไหนในมิติของอวกาศ เวลามีค่าเท่ากับศูนย์เสมอและอีกครั้งที่หลักการนี้นำเสนอมิติของการดำรงอยู่อีกมิติหนึ่งซึ่งที่เราทุกคนรวมกันเป็นหนึ่งโดยไม่สามารถแยกจากกันได้การแยกจากกันเป็นเพียงภาพลวงตาแต่เมื่อเรารู้สึกถึงความรักในรูปแบบใดๆก็ตาม มันจะส่งผลต่อการเริ่มต้นในการสลายภาพลวงตานั้นเนื่องจากการสังเกตเป็นกุญแจสำคัญของการกำหนดให้อนุภาคกลื่นเป็นสภาวะที่แท้จริงเพียงด้านเดียวซึ่งนิวโบและนักฟิสิกส์คนอื่นๆเชื่อว่าจิตสนึกเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ที่จะรับผิดชอบได้ของการสลายตัวลงของอนุภาคคลื่นและอาจกล่าวได้ว่าถ้าเพียงแต่ปราศจากจิตสิ่งนึกทุกสิ่งจะคงอยู่ในรูปแบบของกลุ่มพลังงานที่มีศักยภาพล้วนๆและไม่สามารถระบุได้หรือมีความเป็นไปได้ล้วนๆ นี่คือประเด็นหลักข้อหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ให้ผมเน้นย้ำอีกครั้งเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าปราศจากการกระทำของจิตสํานึกในฐานะที่เป็นผู้สังเกตและผู้ตีความทุกสิ่งจะคงอยู่ในลักษณะของศักยภาพล้นลวนๆเท่านั้นศักยภาพล้นลวน นั่นคือดินแดนแห่งความเป็นจริงสูงสุดซึ่งเป็นระดับที่สาของการดำรงมันไม่มีสถานที่ตั้งและไม่สามารถทำให้หมดไปได้มันไม่มีจุดจบและรวมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันทั้งหมดการก้าวไปในความเป็นไปได้ล้วน คือสิ่งที่ทำให้เราสร้างปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ไม่ใช่คำเกินจริงให้ผมย้อนกลับไปสู่ฟิสิกส์เพื่ออธิบายว่านักวิทยาศาสตร์ทำวิจัยเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์ต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นได้จากระดับความเป็นไปได้ล้วนๆได้อย่างไร a l b เบิร์ตไอน์สไตน์ได้คิดได้คิดค้นการทดลองทางความคิดของเราเองได้คิดค้นการทดลองทางความคิดของเขาเองซึ่งวุ่นวายและซับซ้อนไปด้วยความเป็นไปได้ต่างๆทั้งทางด้านฟิสิกส์ขวานตั้ ลองนึกถึงจินตนาการถึงการสร้างอนุภาคคลื่นที่เหมือนกันสองตัวแล้วมันกระเด็นออกไปทิศทางตรงกันข้ามจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราถามเกี่ยวกับตำแหน่งของอนุภาคคลื่นเอ ถามเกี่ยวกับโมเมนตัมของอนุภาคคลื่น B จงจำไว้ว่าอนุภาคสองตัวนั้นเหมือนกันดังนั้นแล้วการวัดใดก็ต่างที่คำนวณสำหรับอนุภาคหนึ่งโดยนิยาม แล้วจะยึดถือเป็นสิ่งจริงสำหรับอีกอนุภาคหนึ่งการรู้จักตำแหน่งของอนุภาคเคลื่อนเอด้วยเหตุนี้จึงสรุปว่ามันเป็นอนุภาคหนึ่งจะบอกเราเกี่ยวกับตำแหน่งของอนุภาค b ได้ในเวลาเดียวกันดังนั้นมันถือ มันจึงถูกสรุปว่าเป็นอนุภาคเช่นกันสิ่งที่บอกว่าเป็นในของการทดลองทางความคิดนี้ซึ่งได้รับการยืนยันทางด้านคณิตศาสตร์รวมทั้งการทดลองทางวิทยาศาสต์เช่นกันเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากถ้าการสังเกตอนุภาคคลื่นเอ มีผลต่ออันภาคคลื่นบีนั่นหมายความว่าการเชื่อมต่อหรือการสื่อสารที่ไร้ตำแหน่งบ้างอย่างกำลังเกิดขึ้นซึ่งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันด้วยความเร็วสูงกว่าความเร็วแสงโดยปราศจากการแลกเปลี่ยนพลังงานสิ่งนี้คานกับ ทัศนะตามสามัญสำนึกของคนในโลกการทดลองทางความคิดนี้เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นทฤษฎีเหมือนขัดแย้งแต่ไม่ขัดแย้งของไอน์สไตน์โปรดสกีโรซิและจริงๆแล้วการทดลองในห้องปฏิบัติการแสดงให้เห็นว่ากฎของฟิสิกส์ขวันตั้ม น่าเชื่อถือและมีประสิท ธ, ธิภาพจริงๆและการสื่อสารหรือการเชื่อมต่อโดยไร้ตำแหน่งก็คือความเป็นจริงอย่างหนึ่งผมจะขอยกตัวอย่างที่ดูเกินจริงไปบ้างเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของประเด็ดนนี้แต่อย่างน้อยมันก็ยังเกิดขึ้นในโลกทางกายภาพดังนั้นคุณ ก็จะสามารถมองเห็นผลของมันได้ง่ายกว่าลองจินตนาการบริษัทแห่งหนึ่งส่งพัสดุที่เหมือนกันสองกล่องพร้อมๆกันกล่องหนึ่งส่งให้ผมที่แคลิฟอร์เนียและอีกกล่องหนึ่งส่งให้คุณที่บ้าน ภายในกล่องแต่ละใบบรรจุอนุภาคคลื่นที่ไม่ได้รับการสังเกตและมีความสัมพันธ์ร่วมกันซึ่งยังคงเป็นศักยภาพล้วนๆคุณและผมได้รับพัสดุและเปิดมนันออกมาในเวลาเดียวกันพอดิบพอดีเพียงแค่ก่อนที่ผมจะกรีดสก็อตเทปและเปิดปากล่องออกนั้น ผมได้สร้างภาพของสิ่งที่ผมต้องการไว้ในใจเมื่อผมเปิดกล่องออกมาผมพบว่ามันบรรจุสิ่งที่ผมนึกไว้จริงๆไวโอลินตัวหนึ่งแต่นั่นเป็นเพียงเครื่องเดียวของปาฏิหารเพราะเมื่อคุณเปิดกล่องของคุณมันก็บรรจุไวโอลินไว้ เช่นกันเมื่อผมจินตนาการสิ่งที่ผมต้องการให้อยู่ในกล่องนั้นอนุภาคคลื่นได้สลายตัวสู่รูปแบบเฉพาะและสิ่งใดก็ตามที่ผมจินตนาการจะส่งผลต่ออนุภาคคลื่นในกล่องพัสดุของคุณด้วย เราสามารถปฏิบัติการทดลองนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าและเราก็จะได้รับผลเหมือนเดิมเสมอสิ่งใดก็ตามที่ผมจินตนาการเพื่อตัวผมเองจะตรงกับของคุณในเวลาเดียวกันไม่ใช่แค่ผมสามารถที่จะส่งต่อรูปร่างของอนุภาคคลื่นชุดหนึ่งแต่อนุภาค คลื่นต่างๆนี้ก็สามารถสื่อถึงรูปร่างที่พวกมันกำลังรับข้ามระยะทางจากบ้านของผมไปสู่บ้านของคุณด้วยวิธีการใดก็ตามซึ่งไวกว่าความเร็วแสงนี่คือความหมายของการสื่อสารที่ไร้ตำแหน่งหรือความสัมพันธ์ร่วมกันคลีฟ b บ x กสเตอร์นักวิจัยคนหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกและเพื่อนของเราที่ศูนย์โชว์ราเซนเตอร์ได้ทาการทดลองที่น่าสนใจไว้หลายอย่างในปี1972เขาได้พัฒนาหลักการเพื่อศึกษาเซลล์มนุษย์ที่ถูกแยกตัวออกจากร่างกายของบุคคลนั้นๆตัวอย่างเช่นการทดลองอย่างหนึ่งของเขา ได้นำสเปิร์มของมนุษย์มาศึกษาในหลอดทดลองโดยการอิเล็กโทรสเปิร์มเป็นการใส่ขั้วไฟฟ้าให้กับสเปิร์มและวัดค่าแม่เหล็กไฟฟ้าโดยใช้เครื่องมือประเภท EEG ส่วนผู้บริจาคสเปิร์มอยู่อีกห้องหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากห้องแล็บไปตามทางเดินประมาณ40ฟุต เมื่อผู้บริจาคสเปิร์มแกะแคปซูลเอมิลไนเกรดแล้วสูดเอาไอาระเหยเข้าไปทันใดนั้นค้ามิเล็กไฟฟ้าของสเปิร์มในห้องแลบที่อยู่ห่างกันถึง3มห้องก็พุ่งขึ้นสูงทันทีวันหนึ่งคริฟแบกเตอร์กำลังแยกเซลล์เม็ดเลือดขาวเพื่อที่จะศึกษามัน เหตุการณ์ที่สนใจมากก็เกิดขึ้นในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเขานำน้ำลายของเขามาแกว่งเพื่อให้ได้จำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เข้มข้นขึ้นต่อมาก็ได้นำมาใส่ในหลอดทดลองขนาดเล็กแล้วต่อสายขั้วไฟฟ้าสีทองเชื่อมต่อกับเครื่องตรวจวัดและบันทึกคลื่นไฟฟ้า eeg ทันใดนั้นเขาก็เกิดความคิดขึ้นเขาตั้งใจจะปลีดหลังข้อมือของเขาให้เป็นแผลเพื่อดูว่าสิ่งนี้จะมีผลต่อเซลล์เม็ดเลือดขาวของเขาหรือไม่เขาไปหามีดผ่าตัดที่ฆ่าเชื้อโรคแล้วที่ชั้นวางของใกล้ๆเมื่อเขากลับมา ก็เลือกไปดูที่กราฟบันทึกค่าแม่เหล็กไฟฟ้าของเซลล์เม็ดเลือดขาวมันได้แสดงค่าถึงขีดสุดในกลุ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวระหว่างที่ไปหามีดผ่าตัดหรืออาจกล่าวได้ว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวมีปฏิกิริยาต่อความตั้งใจของเขาที่จะกรีดข้อมือ ก่อนที่จะได้รับบารแผลจริงๆจากหลังมือเขาเสียอีกมีอีกครั้งหนึ่งที่คริฟแบ็กเตอร์กำลังฝึกเพื่อนร่วมงานให้เก็บเม็ดเลือดขาวในปากของตัวเองไม่รู้ว่าเพราะอะไรพวกเขาคุยกันถึงเรื่องหนึ่งในนิตยสาร Playboy ย มันเป็นบทสัมภาษณ์วิลเลียมช็อกเลนนักวิทยาศาสตร์ผู้หนึ่งซึ่งขณะนั้นกำลังเป็นประเด็นที่น่าโต้เถียงคริฟแบ็กสเตอร์เกิดนึกขึ้นได้ว่าคู่หูของเขามีนิตยสารฉบับนั้นอยู่ที่โต๊ะทำงานเขาจึงปราดออกไปหานิตยส า, าเรเล่มนั้นแล้วกลับมาที่ห้องแลบ ในเวลานั้นสตีฟเพื่อนร่วมงานที่ห้องหลักของเขาได้ทำการเก็บเซลล์เสร็จเรียบร้อยและอิเล็กโทรดเซลล์คริฟแบคเตอร์จึงตั้งกล้องวิดีโอไว้บนขาตั้งเล็งข้ามไหล่สตีฟเพื่อให้สัมพันธ์กับสิ่งที่สตีฟเห็นและกล้องวิดีโออีกตัว จับอยู่ที่กราฟบันทึกการเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นภาพจากกล้องวิดีโอสองตัวก็ถูกนำมารวมกันโดยผ่านเทคโนโลยีโดยแบ่งภาพเป็นสองจอเพื่อให้ทำให้มั่นใจว่าการบันทึกเวลาของปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นนั้นถูกต้องแม่นยำขณะที่สตีฟ เปิดดูหนังสือ Playboy ผ่านๆเพื่อหาเรื่องเรื่องนั้นบังเอิญเปิดมาถึงหน้ากลางซึ่งเป็นภาพเปลือยของโบด i r ร c t คลิฟภาพเปลือยของโบด i r ร c t คลิฟแบตเตอร์กล่าวว่าแม้แต่ตอนที่สตีฟพูดเสียงดังว่า ผมว่าเธอไม่น่าจะได้คะแนนเต็มสิบเลยนะเซลล์เม็ดเลือดขาวนีนหลอดทดลองก็แสดงปฏิกิริยาในระดับสูงสุดมันยังคงพุ่งขึ้นขึ้นและลงจนถึงขีดสุดทั้งข้างบนและข้างล่างของเครื่องบันทึกกราฟหลังจากการวัดค่ายอย่างต่อเนื่องอย่างเต็มที่ถึงสองนาทีเต็ม สตีฟแบ็กสเตอร์แนะนำให้สตีฟปิดหนังสือเมื่อเขาทำเช่นนั้นเซลที่อิเล็กโทรดแล้วก็สงบลงอีกหนึ่งนาะทีต่อมาเมื่อสตีฟเอื้อมมือไปเปิดนิตยสารที่ปิดอยู่นั้นอีกครั้งเซลก็พุ่งขึ้นอีก คริฟแบกสเตอร์จึงกล่าวว่าเมื่อสตีฟได้เจอกับการสังเกตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่รู้ได้ถึงความรู้สึกและความคิดของจิตใจของเขาเองมันก็สรุปมันถึงบทสรุปที่หมดความสงสัยใดๆคริฟแบ็กสเตอร์ได้ทำการทดลองคล้ายๆกันมากมายเพื่อประกาศว่า เซลของสิ่งมีชีวิตทั้งทางชีวภาพทั้งหลายรวมทั้งพืชและแบคทีเรียต่างๆมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารทางชีวภาพซึ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดมีจิตสํานึกระดับเซลล์และสามารถสื่อสารกับเซลล์อื่นๆชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดได้แม้ว่ามันจะอยู่แยกกันก็ตามยิ่งไปกว่านั้น การสื่อสารเช่นนี้เกิดขึ้นโดยฉับพลันและเนื่องจากระยะห่างในพื้นที่ก็คือระยะห่างในการเวลาเช่นกันจึงสามารถกล่าวได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแยกจากเหตุการณ์อื่นๆคนและเวลาไม่ว่าจะเกิดขึ้นในอดีตหรือในอนาคตก็ตามสามารถมีความสัมพันธ์ร่วมกันโดยฉับพลันได้เช่นกัน จากรายละเอียดเพิ่มเติมของการวิจัยนี้การสื่อสารที่ไร้ตำแหน่งก็ปรากฏในบุคคลเช่นกันจากการทดลอง Greenberg Silverbom ที่โด่งดังซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในปี1987นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้อุปกรณ์อย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าเครื่องวัดและบันทึกคลื่นไฟฟ้าของสมอง เพื่อวัดคลื่นสมองของคนสองคนที่ทําสมาธิด้วยกันเขาพบว่าคนบางคู่ที่เขวัดนั้นแสดงความสัมพันธ์ร่วมกันอย่างชัดเจนในรูปแบบของคลื่นสมองของพวกเขาซึ่งนําไปสู่การผูกพันอย่างใกล้ชิดหรือมีความสัมพันธ์ทางจิตใจผู้ที่ทํำสมาธิเหล่านี้สามารถระบุได้ว่าเมื่อไหร่ที่พวกเขารู้สึกว่าสื่อกันโดยตรง สามารถยืนยันสิ่งนี้ได้โดยเครื่องวัดคลื่นสมองของพวกเขาเขาขอให้คู่ที่ผูกพันกันอย่างใกล้ชิดนี้ทำสมาธิโดยนั่งข้างๆกันเป็นเวลา20นาทีต่อมาก็ให้คนใดคนหนึ่งออกไปทำสมาธิอยู่อีกห้องตามลําพังและปิดประตูวไว้ต่างคนต่างอยู่คนละห้อง และขอให้ผู้ทำสมาธิพยายามสื่อถึงกันโดยตรงหลังจากนั้นผู้ทำสมาธิถูกย้ายไปอีกห้องหนึ่งจะถูกกระตุ้นด้วยแสงสว่างมูฟในห้องซึ่งก่อให้เกิดอาการกระตุกเล็กน้อยในคลื่นสมองของเขาซึ่งเรียกว่าระดับสัปดาห์ไฟฟ้าที่เกิดจากการกระตุ้นเนื่องจาก ยังมีการวัดคลื่นสมองของผู้ทำสมาธิทั้งสองคนอยู่นักวิทยาศาสตร์จึงเห็นได้ว่าผู้ทำสมาธิที่ถูกกระตุ้นด้วยแสงมีอาการกระตุกเล็กน้อยของระดับสักระไฟฟ้าที่เกิดจากการกระตุ้นจริงแต่ส่วนที่น่าประหลาดใจของการทดลองนี้ผู้ที่ทำสมาธิอีกคนหนึ่งไม่ได้ถูกกระตุ้นด้วยแสง ก็สแสดงอาการกระตุกเล็กน้อยของคลื่นสมองเช่นกันซึ่งตรงกันระดับสักระไฟฟ้าที่ถูกกระตุ้นของผู้ทําสมาธิที่ได้รับแสงดังนั้นคนทั้งสองคนนี้จึงเชื่อมต่อกันในระดับที่ลึกซึ้งโดยผ่านการทำสมาธิและการเชื่อมต่อกันนั้น ยอมรับทางปฏิกิริยาทางร่างกายที่สามารถวัดค่าได้แม้แต่บุคคลที่ไม่ได้ถูกกระตุ้นด้วยแสงก็ตามดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคลหนึ่งจะเกิดขึ้นกับอีกคนหนึ่งได้ในทันที ผลที่เกิดขึ้นเหล่านั้นไม่สามารถอธิบายได้โดยวิธีใดเว้นแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ไร้ตำแหน่งที่ตั้งมันเกิดขึ้นในดินแดนแห่งความเป็นจริงสูงสุดซึ่งเป็นระดับของจิตวิญญาณที่เชื่อมต่อสร้างสรรและสอดคล้องกับทุกสิ่งดินแดนที่ไร้ขอบเขตของสติปัญญาหรือจิตสำนึกนี้ ดำรงอยู่ในทุกผลทุกแห่งปรากฏขึ้นในทุกสิ่งเราได้เห็นมันปฏิบัติงานในระดับอนุภาคย่อยซึ่งเป็นส่วนประกอบของทุกสิ่งมาแล้วแล้วเราได้เห็นมันเชื่อมโยงคนสองคนในระดับหนึ่งที่หนึ่งที่อยู่เหนือการแยกจากกันแต่คุณไม่จำเป็นต้องไปห้องแลบ เพื่อดูการทำงานของสติปัญญานี้รอบเพราะว่าหลักฐานมีปรากฏอยู่รอบตัวเราทั้งในสัตว์ทั้งหลายในธรรมชาติและแม้แต่ในร่างกายของเราเองดีพักโชรา โชคดวงความบังเอิญคุณกำหนดได้ ความประจบเหมาะในธรรมชาติเราเห็นตัวอย่างต่างๆของความประจบเหมาะในธรรมชาติอยู่บ่อยครั้งจนมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแต่ลองมองดูอีกครั้งด้วยมุมมองที่ปรับสู่เรื่องที่เกือบเป็นไปไม่ได้แล้วแนวความคิดของความประจบเหมาะจะเริ่มมีเหตุผลตัวอย่างเช่น ลงมองขึ้นไปบนท้องฟ้าในหน้าร้อนแล้วรอให้ฝูงนกบินมาพวกมันดูเหมือนกำลังเคลื่อนตัวเป็นรูปแบบในเวลาที่มันจะเปลี่ยนทิศทาง น, นกทุกตัวก็จะปฏิบัติการเคลื่อนไหวแบบเดียวกันและพร้อมเพลียงกันเช่นเดียวกับฝูงปลาที่ผมได้กล่าวไว้ตอนต้น ในฝูงหนึ่งสามารถมีนกได้เป็นร้อยร้อยตัวแต่นกแต่ละตัวกลับสามารถบินประสานกันกันกบนกตัวอื่นๆโดยปราศจากผู้นำที่เด่นชัดพวกมันเปลี่ยนทิศทางในฉับพลันและเปลี่ยนวิธีทางในเวลาเดียวกันพอดิบพอดีและมันทำได้อย่างสมบูรณ์แบบคุณจะไม่เคยได้เห็นนก บินชนกันพวกมันจะบินขึ้นไปหากเลี้ยวและบินโฉบไปด้วยกันเรากับได้รับคำสั่งที่ทุกตัวเชื่อฟังร่วมกันโดยไม่ต้องออกเสียงจนดูเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตเพียงตัวเดียวสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเนื่องจากมันไม่มีเวลาเพียงพอในการแลกเปลี่ยนข้อมูลใดๆ ดังนั้นแล้วความสัมพันธ์ของกิจกรรมในฝูงนกจึงต้องเกิดขึ้นโดยไม่ปรากฏตำแหน่งอย่างแน่นอนนักฟิสิกส์ต่างๆพยายามค้นคว้าถึงคุณสมบัติที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของนกมาเป็นเวลาหลายปีแต่จนบัดนี้ก็ยังไม่สำเร็จ ความซับซ้อนและความแม่นยำอย่างแท้จริงในพฤติกรรมของนกทำให้วิทยาศาสต ร, ร์กายภาพถึงกับงุนงงได้ทุกครั้งวิศวกรแต่ก็พยายามศึกษาการเคลื่อนไหวของนกเพื่อดูว่ามีวิธีไหนที่จะค้นพบหลักการที่อาจแปลไปสู่วิธีการแก้ปัญหาจราจรติดขัดได้บ้าง หรือถ้าพวกเขาสามารถควบคุมกลไกเกี่ยวกับการรับส่งความรู้สึกเช่นที่นกมีด้วยวิธีใดก็ตามและขยายไปสู่แนวทางในการออกแบบถนนหรือรถก็จะไม่มีอุบัติเหตุในการขับรถอีกต่อไปเราจะรู้ล่วงหน้าในสิ่งที่รถทุกคันบนท้องถนนกำลังกระทำกันอยู่ในทุกขณะอย่างไรก็ตาม โครงการนี้ไม่เคยสำเร็จผลเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่คล้ายคลึงที่สามารถนำมาสู่โลกแห่งเครื่องจักรกลได้การติดต่อสื่อสารอย่างฉับพลันที่เราเห็นทั่วไปในฝูงนกและฝูงปลามาจากระดับจิตวิญญาณซึ่งเป็นสติ ป, ปัญญาที่ไร้ที่ตั้งในดินแดนแห่งความเป็นจริงสูงสุด ผลที่เกิดขึ้นก็คือความประจวบเหมาะซึ่งสิ่งมีชีวิตทั้งหลายต่างปรับให้เข้ากันและเข้ากับสิ่งแวดล้อมของตนและเคลื่อนไหวไปตามจังหวะของจักรวาลถึงแม้ว่านกและปลาจะเป็นตัวอย่างของความประจวบเหมาะในธรรมชาติที่โดดเด่นมากที่สุด ก็ยังมีตัวอย่างอีกมากมายพอๆกับการมีสิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลกนี้สัตว์สังคมทุกประเภทจะแสดงหลักการการติดต่อสื่อสารที่ไร้ตาแหน่งที่ตั้งนี้และยังมีการศึกษาเพิ่มเติมในมแมลงและสัตว์เลี้ยงซึ่งแสดงให้เห็นว่าการตอบสนองต่อการถูกคุกคามของสัตว์เหล่านั้น เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรวดเร็วเกินกว่าจะอธิบายได้ด้วยวิธีการสื่อสารทั่วไปรูปเหอเชลเด็กนักวิทยา ศ, าศาสตร์คนหนึ่งได้ทำการศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่ดูเหมือนเป็นกรณีการติดต่อสื่อสารที่ไร้ตำแหน่งที่ตั้งระหว่างสุนักและเพื่อนที่เป็นมนุษย์ของมัน คนและสุนัขสามารถสร้างความผูกพันที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นเชอร์กจึงได้ทำเอกสารประกอบกรณีที่สุนัขดูเหมือนจะรู้ล่วงหน้าว่าเจ้านายของมันจะกลับบ้านเมื่อไหร่ก่อนที่เจ้านายของมันจะมาถึงสักสิบนาทีถึงสองชั่วโมงสุนัขจะไปรอที่หน้าประตู เรากับรู้ล่วงหน้าว่าเจ้านายจะกลับมามีผู้สงสัยกล่าวว่าสิ่งนี้อาจเป็นเรื่องของความเคยชินที่เจ้านายจะกลับบ้านณเวลานั้นๆในเวลาแต่ละวันหรือสุนัขสามารถได้ยินเสียงรถหรือได้กลิ่นเจ้าของจากระยะห่างหลายไมย่ แต่สุนัขเหล่านี้สามารถคาดการณ์การมาถึงของเจ้านายมันได้จริงแม้เมื่อเขาหรือเธอกลับบ้านในเวลาที่ไม่ได้คาดคิดหรือนั่งรถคันอื่นมาหรือเดินมาหรือแม้แต่เวลาที่ลมพัดไปในทิศตรงข้ามเพื่อให้แน่ใจว่ากลิ่นของเจ้านายไม่มีทางที่จะลอยมาถึงบ้านได้ สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับสุนัขทุกตัวหรือเจ้าของทุกคนแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันจะปรากฏเป็นปรากฏการณ์ที่ทรงพลังมากที่น่าแปลกไปกว่านั้นคือเชลดริกได้แสดงให้เห็นว่าสุนัขสามารถรับรู้ความตั้งใจได้ประมาณว่าเจ้าของไปพักผ่อนที่ปารีสสักสองอาทิตย์ และสุนัข ก, ก็อยู่เฝ้าบ้านที่ลอนดอนถ้าเจาของเกิดปุบ ป, ปับเปลี่ยนแผนและตัดสินใจจะกลับบ้านเร็วขึ้นสักหนึ่งอาทิตย์สุนัข ก, ก็จะแสดงอาการเดียวกันในการรู้ล่วงหน้าก่อนถึงเวลาที่กำหนดหนึ่งอาทิตย์และทันทีที่เจ้านายคิดว่าได้เวลากลับบ้านแล้วสุนัข ก็จะลุกขึ้นจากที่ใดก็ตามที่มันนอนอยู่ไปนั่งอยู่หน้าประตูกระดิษ์หางและรอเจ้านายของมันมาถึงเพื่อให้มั่นใจว่าการสังเกตเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนตัวที่ไม่มีผลของเจ้าของสุนัขเขาจึงได้สังเกต ได้ศึกษาโดยการสังเกตว่าสุนัขตัวนั้นๆมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อความตั้งใจของเจ้านายเมื่อเขาจะกลับบ้านกล้องวิดีโอถูกติดตั้งไว้ในบ้านและจับภาพอยู่บริเวณที่สุนัขชอบอยู่เช่นที่นอนของมันประตูหน้าห้องครัว แล้วให้เจ้าของออกไปข้างนอกโดยตัวเธอเองก็ไม่รู้ว่ากำลังจะไปที่ไหนหรือเธอกำลังกลับบ้านเมื่อไหร่การตัดสินใจขึ้นอยู่กับนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเธอจะได้รับคำสั่งเกี่ยวกับสถานที่ที่จะไปหลังจากที่เธอขึ้นรถเท่านั้นต่อมาณนะช่วงเวลาที่ไม่ได้กำหนดไว้ นักวิทยาศาสตร์ก็จะเพจหาเจ้าของสุนัขเพื่อให้สัญญาณว่าได้เวลาเริ่มกลับบ้านแล้วเวลาจะถูกบันทึกไว้และนำไปเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของสุนัขอยู่ในวิดีโอเทปเมื่อเจ้าของเริ่มกลับบ้านสุนัขเกือบจะอยู่ที่ประตูตลอดเวลา และรอคอยการกลับมาของเธอโดยไม่คํานึงถึงว่าเธออยู่ที่ไหนหรือขณะนั้นเป็นเวลาอะไรหรือนานแค่ไหนกว่าเธอจะมาถึงจริงๆไม่ต้องสงสัยเลยว่าคนบางคนที่สนิทกับสุนัขของเขามากเขาจะรู้สึกผูกพันกับสุนัขของเขา และสุนัขของเขาก็ผูกพันกับเขาและโดยผ่านความผูกพันนี้เจ้าของและสุนัขจะได้พบกับการสื่อสารที่ไร้ตำแหน่งที่ตั้งตัวอย่างของความประจบหมอะจะพบได้บ่อยมากในโลกของสัตว์เพราะสัตว์จะสัมผัสกับเนื้อแท้ของธรรมชาติของสิ่งต่างๆได้มากกว่า แต่พวกเราที่เป็นมนุษย์กลับสูญเสียความรู้สึกสัมพันธ์ของเราไปกับการกังวลความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องค่าเช่าต่างๆเรื่องจะซื้อรถคันไหนดีหรือสิ่งรบกวนอื่นๆอีกเป็นล้านและทันทีที่เราพัฒนาอัตตาซึ่งเป็นอีกความหมายหนึ่งของคำว่าฉัน ที่แตกต่างจากคนอื่นความสัมพันธ์นี้ก็ยิ่งจะมืดมัวลงแต่บางคนก็สามารถประสบกับความประจบเหมาะอย่างชาัดเจนพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำสมาธิเราทุกคนคงเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับแฝดแเหมือนซึ่งสามารถปรับ ความรู้สึกเพื่อให้รับรู้ในสิ่งที่แฝดอีกคนรู้สึกหรือคิดได้ในทันทีความสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกันนี้สามารถพบเห็นได้ในคนที่ไม่ใช่ฝาแฝดแต่ผูกพันกันมากได้เช่นกันครั้งหนึ่งผมเคยคุยกับคนไข้ห้องหนึ่งคนไข้คนหนึ่ง ทันใดนั้นเขาก็เกิดเจ็บจีดขึ้นที่ช่องท้องและเริ่มเริ่มกลิ้งไปมาบนพื้นเมื่อผมถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาตอบว่ารู้สึกเหมือนมีใครแทงเข้าตรงนี้แล้วในเวลาต่อมา เราก็พบว่าในช่วงเวลานั้นแม่ของเขาถูกจี้ชิงทรัพย์ในฟิลาเดลเฟียและถูกแทงเข้าที่ท้องเขาผูกพันกับแม่ของเขามากมันเป็นความสัมพันธ์ที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตของเขาพวกเขาผูกพันกันอย่างใกล้ชิดมากจนสรีระศาสตร์ของเขาเหมือนเป็น คนหนึ่งคนเดียวกันในระดับหนึ่งเราสามารถพูดว่าพวกเขาพ่วงกันอยู่การพ่วงกันไปเป็นอีกคำที่มีความหมายเหมือนความสัมพันธ์ร่วมกัน หรือความประจบเหมาะนักวิทยาศาสตร์นิยมใช้กันบ่อยๆเพื่ออธิบายสภาวะของการผูกเกี่ยวกันไว้โดยสะสารหรือแรงตัวอย่างเช่นอนุภาคต่งตางๆกันไปในกระแสของในกระแสของของเหลวและเคลื่อนที่ไปตามของเหลวในขณะที่แช่อยู่ในนั้น จะช่วยเราบรรยายวิธีที่สิ่งต่างๆสัมพันธ์ซึ่งกันและกันจำไว้ว่าความประจวบเหมาะจะเกิดขึ้นเมื่อคนสัตว์หรือวัตถุมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันหรือผูกพันกันอีกตัวอย่างหนึ่งของการพ่วงกันอยู่นักวิจัยภาคสนาม ได้ทำการสังเกตชนเผ่าแอฟริกันซึ่งแม่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูกมากเริ่มตั้งแต่ทารกยังอยู่ในครรภ์ซึ่งในช่วงที่ตั้งครรภ์ น, นี้แม่จะเลือกชื่อขึ้นมาชื่อหนึ่งแล้วแต่งเพลงให้ลูกของเธอเธอจะร้องเพลงนี้ตลอดการตั้งท้องของเธอ และเมื่อทารกคลอดออกมาเพื่อนบ้านทุกคนจะมารวมกันและร้องเพลงนี้ให้แก่ทารกเช่นกันในเวลาต่อมาทุกครั้งที่มีเหตุการณ์สำคัญพวกเขาจะร้องเพลงประจำตัวของเด็กคนนั้นเช่นในวันเกิดในวันเริ่มต้นที่ทารกกลายเป็นเด็กน้อย ในช่วงพิธีกรรมสำหรับวัยที่เริ่มเป็นหนุ่มสาวในงานมั่นและการแต่งงานเพลงกลายเป็นการฝังแน่นสำหรับความผูกพันที่มีมาตั้งแต่เกิดระหว่างแม่กับลูกและข้ามผ่านความตายออกไปได้เมื่อได้ร้องเพลงประจําตัวงในงานศพของบุคคลนั้นนี่คือวิธีหนึ่ง ที่เด็กรู้สึกผูกพันอยู่ในโลกของแม่และชนเผ่ามันสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากจนกระทั่งถ้าทารกอยู่ที่ไหนก็ตามในป่าขณะที่แม่ออกไปไร่แล้วเด็กรู้สึกไม่สบายใจจากสาเหตุใดก็ตามแม่จะรับรู้ความรู้สึกเดียวกันในร่างกายของเธอณนะเวลานั้นนั้น ตัวอย่างอื่นๆที่รู้จักกันดีของการสื่อสารที่ไร้ตำแหน่งที่ตั้งระหว่างแม่และลูกแม้ว่าทั้งสองคนจะอยู่คนละที่กันแต่เมื่อลูกร้องไห้ด้วยความหิวก็จะมีน้ำนมไหลออกมาจากอกแม่ ผู้ทำสมาธิที่ผมได้บรรยายในบทก่อนหน้านั้นรู้จักและรักใคร่กันดีก่อนที่จะทำการทดลองแต่พวกเขาผูกพันกันมากขึ้นด้วยการทำสมาธินั่นเองมีอีกลักษณะหนึ่งที่เป็นความสัมพันธ์กันทางด้านสังคมเช่นการเป็นสามีภรรยาหรือเป็นพี่น้องกัน แต่ถ้าต้องการให้การสื่อสารที่ไรตําแหน่งที่ตั้งเกิดขึ้นนั้นความสัมพันธ์จะต้องเป็นไปในทางที่ลึกซึ้งกว่านี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากมากในการสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะนี้แต่ความจริงแล้วเราทุกคนล้วนสัมพันธ์กับสติปัญญาที่ไรตําแหน่งที่ตั้งอยู่เสมอ ความจริงก็คือร่างกายของเราที่ดำรงอยู่ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการสื่อสารที่ไร้ตำแหน่งโดยแท้จริงแล้วสิ่งที่เป็นจริงและเป็นวัตถุเช่นร่างกายของเราจะขึ้นอยู่กับการสื่อสารที่ไร้ตาแหน่งที่ตั้งนั้นได้อย่างไร ลองพิจารณาดูว่าร่างกายของมนุษย์ประกอบไปด้วยเซลล์ประมาณหนึ่งร้อยล้านล้านเซลล์แต่ดวงดาวที่แจ่มจัดแต่ละดวงบนทางช้างเผือก น, นั้นมีประมาณหนึ่งพันเซลล์เท่านั้นเองและในการผลิตเซล100ล์หนึ่งร้อยล้านล้านเซลล์นั้นมีการแบ่งตัวเพียงห้าสิบครั้งเท่านั้น เริ่มต้นด้วยเซลล์ไข่เริ่มต้นด้วยเซลล์ไข่ที่สมบูรณ์1เซลล์การแบ่งตัวครั้งแรกคุณจะมีสองเซลล์การแบ่งตัวครั้งที่สองได้สเซลล์การแบ่งตัวครั้งที่สได้16เซลล์และ ต, ต่อไปจนถึงการแบ่งตัวครั้งที่ห้สิบ คุณจะมีหนึ่งรล้านล้านเซลล์ในร่างกายของคุณและนั่นคือจุดที่การแบ่งตัวยุติลงดังนั้นเซลลทั้งหมดของร่างกายคุณเริ่มต้นจากเพียงหนึ่งเซลล์ซึ่งเซลล์หนึ่งนั้นแบ่งตัวออกไปเรื่อยๆตามเส้นทางการแบ่งตัวบางจุดเซลล์จะมีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้มีเซลล์ที่แตกต่างกันถึง250ชนิดในร่างกายมนุษย์จากเซลล์กลมๆใหญ่ๆธรรมดาธรรมดาไปถึงบางๆและแตกแขนงไปเป็นเซลล์ประสาทนักวิทยาศาสตร์ยังคิดไม่ตกว่าเซลล์หนึ่งนั้น จบลงด้วยการแบ่งตัวไปสู่เซลล์ประเภทต่างๆได้มากมายขนาดนั้นได้อย่างไรและยังสามารถจัดการตัวของมันเองในเวลาต่อมาสู่การเป็นท้องสมองผิวหนังฟันและส่วนประกอบเฉพาะอื่นๆอีกมากมายในร่างกาย นอกจากการทำหน้าที่เฉพาะในร่างกายแล้วแต่ละเซลยังต้องทำสิ่งต่างๆอีกสองถึงสล้านอย่างตอนหนึ่งวินาทีเพียงเพื่อรักษาหน้าที่ของตนเช่นการสร้างโปรโตีนปรับความสามารถในการซึมผ่านของเยื่อหุ้มเซลและจัดการกับสารอาหารที่กล่าวถึงนั้น เป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยแต่ละเซลล์ต้องรู้ในสิ่งที่เซลล์อื่นๆทุกเซลล์กำลังกระทำด้วยเช่นกันมิเช่นนั้นร่างกายของคุณจะล้มเหลวร่างกายของมนุษย์จะสามารถทำงานได้ถ้ามันปฏิบัติงานอย่างพร้อมเพรียงและสอดคล้องกันเท่านั้นและทั้งหมดนี้สามารถเกิดขึ้นได้ โดยผ่านสัมพันธ์ที่ไร้ตำแหน่งที่ตั้งเพียงอย่างเดียวเซลล์ Sell แต่ละตัวในจำนวนหนึ่งรอยล้านล้านเซลล์สามารถกระทำสิ่งต่างๆหนึ่งล้านอย่างต่อหนึ่งวินาทีในการประสานการทำงานของมันเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ที่มีลมหายใจได้อย่างไร แล้วร่างกายมนุษย์สามารถก่อเกิดความคิดก่อกำเนิดความคิดขจัดสารพิษและยิ้มให้กับเด็กหรือแม้แต่ตั้งคันทำทุกอย่างในเวลาเดียวกันได้อย่างไร ดีพักโชคลาโชคดวงความบังเอิญคุณกำหนดได้ ที่จะกระดิกนิ้วเท้าของผมขั้นแรกผมจะต้องมีความคิดว่าผมอยากทําเช่นนั้นก่อนความคิดจะไปกระตุ้นเปลือกนอกของสมองแล้วจึงส่งกระแสประสาทผ่านแนวกระดูกสันหลังลงสู่ขาของผมและขยับนิ้วเท้าของผม สิ่งที่อยู่ในตัวมันเองนั้นก็น่ามหัศจรรย์แล้วแล้วความคิดมาจากที่ไหนก่อนที่จะคิดนั้นไม่มีพลังงานใดๆแต่ทันทีที่ผมคิดและมีความตั้งใจจากกระดิกเท้าของผมมันก็สร้างการจู่โจมของแม่เหล็กไฟฟ้าภายใต้การควบคุมในสมองของผม ซึ่งส่งผ่านลงมาตามเส้นประสาททำให้มันปล่อยสารเคมีตัวนั้นออกมาและนิ้วเท้าของผมจึงกระดิกนั่นเป็นปรากฏการณ์ต่อเนื่องที่สัมผัสได้และเป็นไปโดยอัตโนมัติจริงๆยกเว้นเฉพาะส่วนที่เป็นส่วนแรกสุดนั่นคือความคิด ที่เป็นจุดเริ่มของทั้งหมดความคิดสร้างกระแสไฟฟ้าเป็นอย่างแรกได้อย่างไรนักวิทยาศาสตร์ต่างก็เข้าใจกลไกต่างๆของร่างกายทั้งในเรื่องความสามารถในการเคลื่อนไหวการส่งคลื่นประสาทและการหดตัวของกล้ามเนื้อทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ไม่มีใครสามารถแสดงให้เห็นว่าความคิดมาจากที่ไหนได้โดยผ่านการทดลองความคิดไม่สามารถมองเห็นได้แต่ถ้าปราศจากความคิดเราก็จะไม่เคลื่อนไหวไม่คิดไม่กระดิกเท้าในเมื่อการรับรู้ของคุณเป็นข้อมูลข่าวสารและพลังงาน แล้วสิ่งนั้นเกิดขึ้นที่ใดคำตอบก็คือความคิดก็กกำเนิดในดินแดนแห่งความเป็นจริงสูงสุดร่างกายของเราปฏิบัติตัวอย่างประจบเหมาะตลอดเวลาเมื่อไรก็ตามที่มีสิ่งรบกวนแม้แต่นิดเดียว ในร่างกายของเราร่างกายทั้งหมดก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันดังนั้นระดับน้าตาลในเลือดจะเริ่มต่ำลงทันใดนั้นก็จะเกิดการทำงานที่ประสานกันทั้งหมดเพื่อดึงระดับน้าตาลในเลือดให้กลับขึ้นไป ตับออนจะหลังฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่เรียกว่ากลูคากอนซึ่งจะช่วยเปลี่ยนน้ำตาลที่เก็บไว้ในตับให้กลายเป็นกลูโคสและนำไปใช้เป็นพลังงานได้ทันทีนอกจากนี้เซลไขมันจะปล่อยกรดไขมันและกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือด และระบบประสาทจะกระตุ้นกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อลายให้หยุดกักเก็บกลูกโคสทั้งหมดนี้เกิดขึ้นพร้อมกันในเวลาเดียวระดับอินซูลินจะลดต่ำลงและอัตราการเต้นของหัวใจจะสูงขึ้นเพื่อรวบรวมพลังงานสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นในร่างกาย เกือบหนึ่งล้านอย่างพร้อมกับความตั้งใจที่จะนำระดับน้ำตาลให้กลับสู่ปกติและนั่นเป็นเพียงหน้าที่หนึ่งในบรรดาหน้าที่อื่นๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั่วร่างกายในเวลาเดียวกันทั้งหมดนี้สามารถเป็นไปได้โดยผ่านการสื่อสารที่ไร้ตำแหน่งเท่านั้น ข้อมูลที่สัมพันธ์กันนั้นรวดเร็วกว่าแสงรวดเร็วกว่าความเร็วแสงซึ่งอยู่นอกขอบเขตของฟิสิกส์มาตรฐานยังมีข้อเสนอว่าการสื่อสารที่ไร้ตำแหน่งนี้ ถูกสร้างขึ้นโดยการสั่นพ้องของการทำงานของกระแสะไฟฟ้าในหัวใจของเราหัวใจของคุณมีสิ่งที่เรียกว่าเครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจซึ่งคอยรักษาระดับการเต้นของหัวใจให้เป็นปกติประมาณ72ครั้งต่อนอาทีอุปกรณ์ในหัวใจคุณนี้ จะปล่อยกระแสไฟฟ้าทุกๆสองถึงวินาทีและทำให้หัวใจของคุณหดตัวโดยอัตโนมัติเวลาใดก็ตามที่คุณมีกระแสไฟฟ้าคุณจะมีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่โดยรอบโดยพื้นฐานแล้วสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโฟตอนซึ่งมีลักษณะเฉพาะ ดังนั้นแล้วขณะที่หัวใจเต้นแต่ละครั้งมันจะส่งกระจายพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าไปสู่ส่วนที่เหลือของร่างกายและมันจะส่งกระจายพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าไปสู่ส่วนที่เหลือของร่างกายหรือแห้แต่ส่งสนามแม่เหล็กไฟฟ้าออกไปนอกร่างกายท้าสนามแม่เหล็ก ขยายวงให้กว้างขึ้นคนอื่นๆจะสามารถอ่านค่าการรับรู้สัญญาณนี้ได้พลังงานจะถูกส่งไปทั่วร่างกายในลักษณะนี้หัวใจเป็นเหมือนลูกตุ้งหลักที่แกว่งไปมาของร่างกายและมีสนามแม่เหล็กของตัวมันเอง มันสร้างสนามของการสั่นพ้องเพื่อว่าทุกเซลในร่างกายจะเริ่มสัมพันธ์กับเซลอื่นๆทุกๆเซลซึ่งทำให้เซลทุกเซลปรับเข้ากับเซลอื่นๆได้อย่างสอดคล้องกันเมื่อเซลทางานอยู่กับสนามของการสั่นพ้องเดียวกันมันจะเคลื่อนไหวไปตามทำนองเพลงเดียวกัน จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเมื่อเรากำลังคิดอย่างสร้างสรรค์หรือเมื่อเรารู้สึกสงบหรือเมื่อเรารู้สึกมีความรักอารมณ์เหล่านี้จะผลิตสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกาะกันแน่นและส่งกระจายไปสู่ส่วนที่เหลือของร่างกายมันยังสร้างสนามของการสั่นพ้องที่เซลล์ทุกเซลล์ของร่างกาย ตัวกันไว้อย่างแน่นหนาเซลล์ sell ทุกเซลล์เซลล์ทุกตัวรู้ในสิ่งที่เซลล์อื่นๆกำลังกระทำเพราะว่ามันทั้งหมดกำลังทำสิ่งเดียวกันในขณะที่ยังคงแสดงหน้าที่เฉพาะของตนอย่างมีประสิท ธ, ธิภาพเซลล์ sell บริเวณหน้าท้องกำลังสร้างกรดไฮโดรคลอริกเซลล์ ในส่วนภูมิต้านทานกำลังผลิตแอนติบอดีเซลตับอ่อนกำลังผลิตอินซูลินและอื่นๆในร่างกายที่แข็งแรงความกระจบกเหมาะนี้จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงการทำงานเหล่านี้ก็จะมีจังหวะที่มั่นคง เมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บจงังหวะการทำงานหนึ่งจะเกิดความผิดพลาดความตึงเครียดเป็นตัวทำให้ร่างกายเสียระบบที่สำคัญมากถ้าคุณเครียดถ้าคุณคิดร้ายความสมดุลในร่างกายจะเสียระบบความตึงเครียดจะทำลายการติดต่อที่ไร้ตำแหน่งกับทุกสิ่งของเรา เมื่อคุณมีโรคภัยไข้เจ็บหรือไม่สบายบางส่วนในร่างกายของคุณจะเริ่มติดลงมันกำลังปรับตัวมันเองจากดินแดนแห่งสติปัญญาที่ไร้ตำแหน่งที่ตั้งมีอารมณ์ความรู้สึกมากมายที่ก่อให้เกิดการรบกวนต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในหัวใจ แต่อารมณ์ที่ได้รับการยืนยันอย่างแน่ชัดโดยการค้นคว้าวิจัยว่าเป็นสาเหตุของการรบกวนนั้นคือความโกรธและเจตนาร้ายทันทีที่สภาวะการทำงานที่สอดคล้องกันนี้ถูกรบกวนร่างกายของคุณจะเริ่มปฏิบัติในลักษณะที่แยกออกเป็นส่วนๆระบบภูมิคุ้มกันถูกระงับ ซึ่งนำไปสู่ปัญหาอื่นๆเช่นโอกาสเป็นโรคมะเร็งและติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นและแก่เร็วขึ้นความรู้สึกที่เกิดขึ้นนี้รุนแรงมากจนสัตว์สามารถรับรู้ได้ถ้าสนักตัวหนึ่งเห็นคนคนหนึง่งที่แฝงเจตนาร้ายมันจะเห่า และแสดงท่าทางหลกร้ายและไม่ว่าคุณจะไปที่ใดก็ตามคุณก็จะแผ่กระจายความเป็นตัวคุณในระดับที่ลึกซึ้งนี้แต่การเชื่อมต่อกับสติปัญญาที่ไร้ที่ตั้งนี้ไม่ได้จบลงแค่ขอบเขตของร่างกายเราถ้าร่างกายของเราอยู่ในสมดุลจะกระวน ก็อยู่ในสมดุลเช่นเดียวกันและมันก็จะแสดงความสมดุลนั้นในทุกจังหวะการทำงานและในทุกวงจรเมื่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์มันสร้างจังหวะของฤดูกาลจากฤดูหนาวไปสู่ฤดูใบไม้ผลินกเริ่มอบพยพปลาหาที่วางไข่ ดอกไม้ผลีบานต้นไม้แตกยอด อ, อ่อนผลไม้สุกเต็มที่ไข่ปักเป็นตัวซึ่งจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ต่างๆที่ลังลายเข้ามานี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งในธรรมชาตินั่นคือการเอียงเล็กน้อยของโลก ทุกอย่างในธรรมชาติกำลังกระทำราวกับว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งเดียวแม้แต่คนก็รู้สึกแตกต่างในระหว่างฤดูกาลบางคนเฝ้าแต่เศร้าหดหู่ในฤดูหนาวและเต็มไปด้วยความรักในฤดูใบไม้ผลิในทางเคมีชีวเคมี การเปลี่ยนแปลงบางอย่างในร่างกายของคุณตอบสนองต่อการเคลื่อนที่ของโลกทุกสิ่งในธรรมชาติคือความประสานกลมเกลื่อนกันและเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมันในขณะที่โลกหมุนอยู่บนแกนของมันเราได้รับบางสิ่งที่เรียกว่าจงังหวะวงจรชีวิตสิ่งมีชีวิตยามค่าคืน จะตื่นตอนกลางคืนและนอนตอนกลางวันนกจะออกหาอาหารในเวลาเฉพาะจนเป็นที่รู้กันว่านี่เป็นเวลาที่นกออกหากินร่างกายของเราก็ประสานกับจังหวะวงจรชีวิตนี้เช่นกันผมใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในแคลิฟอร์เนียร่างกายของผม ก็ตกอยู่ในจังหวะของแคลิฟอร์เนียโดยที่ผมไม่ต้องพยายามจะปรับตัวและควบคุมให้อยู่กับเขตเวลาร่างกายของผมเริ่มคาดการว่าพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นและปลุกให้ผมตื่นในช่วงเวลาเดิมๆทุกๆวันและทำงานช้าลงในยามค่ำคืน เพื่อให้ผมเตรียมตัวนอนระหว่างที่ผมนอนหลับร่างกายของผมยังคงทำงานหนักขับเคลื่อนผมผ่านระดับการนอนแต่ละระดับเปลี่ยนคลื่นสมองของผมผลิตและหลั่งฮอร์โมนที่ควบคุมการดูแลการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆอยู่ตลอดเวลาแต่ในปริมาณที่แตกต่างจากช่วงเวลาที่ผมตื่น เซลแต่ละเซลยังคงดำเนินกิจกรรมแต่ละอย่างเป็นล้านสิ่งต่อไปในขณะที่ร่างกายซึ่งเป็นสิ่งสมบูรณ์ดำเนินการตามวงจรกลางคืนของมันไปบนโลกเรารู้สึกได้ถึงผลกระทบของดวงอาทิตย์ในจังหวะวงจรชีวิตและกระทบ ผลกระทบจากดวงจันทร์ในจังหวะการหมุนของดวงจันทร์ที่ขึ้นและลงการโครจรของดวงจันทร์ก็แสดงบทบาทอยู่ในร่างกายของเราเช่นกันซึ่งในขณะเดียวกันก็สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของโลกการที่ผู้หญิงมีประจำเดือนทุกๆ28วันเป็นผลจากดวงจันทร์ และยังมีจังหวะอื่นๆที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนมันเป็นสิ่งเล้นลับและส่งผลต่ออารมณ์และความสามารถในการให้กำเนิดบุตรกับคนทุกคนผลกระทบจากแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ก่อให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงในมหาสมุทร ซึ่งส่งผลต่อร่างกายของเราเช่นกันอย่างไรก็ตามเมื่อหลายล้านปีที่แล้วทุกชีวิตอาศัยอยู่ในทะเลเราก็เช่นกันเมื่อเราขึ้นมาอยู่บนบกเรานำบางสิ่งจากทะเลมาด้วย8 0เอร์เซ็์ของร่างกายนั้นมีองค์ประกอบทางเคมีเดียวกันกับทะเลซึ่งครั้งหนึ่ง เคยเป็นบ้านของเราและร่างกายของเราก็ยังคงได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลงจนบัดนี้จังหวะเหล่านี้ซึ่งได้แก่จังหวะวงจรชีวิตจังหวะของดวงจันทร์และฤดูกาลต่างก็ปรับให้เข้ากันและกัน มีจังหวะอยู่ภายในจังหวะและมีจังหวะภายในจังหวะนั้นอีกทีและเสียงกลองที่ตีไปตามจังหวะนี้ก็สะท้อนกล้องอยู่รอบๆตัวเราและภายในตัวเราเราไม่ใช่สิ่งที่อยู่นอกกระบวนการนั้นแต่เราเป็นส่วนประกอบของมัน ซึ่งเคลื่อนไหวไปตามจังหวะของจั ก, กรวาลสติปัญญาที่ไร้ที่ตั้งอยู่ภายในตัวเราและรอบตัวเรามันคือจิตวิญญาณจิตวิญญาณหรือความเป็นไปได้ล้วนซึ่งทุกสิ่งปรากฏขึ้นมาจากมันมันเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตของเรา ไร้ซึ่งมิติปริมาตรพลังงานและมวลสารไม่เกี่ยวข้องกับอวกาศรวมทั้งไม่คงอยู่ในการเวลาประสบการณ์ทั้งหมดเป็นสิ่งที่สามารถกำหนดตำแหน่งได้ที่ยื่นออกมาจากความเป็นจริงที่ไร้ที่ตั้ง ซึ่งมีความเป็นไปได้ทุกอย่างซ่อนอยู่มันเป็นเอกภาพและเป็นสิ่งที่พิเศษในระดับความเป็นจริงที่ลึกซึ้งนี้ทุกสิ่งเป็นหนึ่งเดียวโดยปราศจากการแบ่งแยกคุณเป็นพลังสร้างสรรค์เป็นแกนแท้แห่งจักรวาลที่เฝ้าดูตัวเอง โดยผ่านระบบประสาทของมนุษย์เช่นที่ประดิษฐแบ่งลำแสงเดียวสู่แทบสีหลายสีสติปัญญาที่ไร้ที่ตั้งก็แบ่งความเป็นจริงหนึ่งเดียวไปสู่สิ่งที่ปรากฏขึ้นมากมายลองคิดว่าจาักรวาลเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่สิ่งหนึง่ง ขนาดที่ใหญ่โตของมันคือความเป็นจริงที่ปรากฏขึ้นและรับรู้ได้ถึงแม้ว่าคุณอาจจะเห็นสนามฟุตบอลขนาดใหญ่แห่งหนึง่งบรรจุผู้คนนับพันอยู่ตรงนั้นแต่ปรากฏการณ์ที่แท้จริงเป็นเพียงกระแสไฟฟ้าเล็กๆที่อยู่ในสมองของคุณซึ่งคุณคุณ สิ่งมีชีวิตที่ไร้ที่ตั้งตีความว่าเป็นการแข่งขันฟุตบอลในโยคะวาสิทธาซึ่งเป็นคำพีหนึ่งในพระเวทโบราณกล่าวไว้ว่าโลกดุจมหานครที่ถูกสะท้อนในกระจกจากประวานก็เช่นเดียวกัน เป็นภาพสะท้อนขนาดใหญ่ของตัวท่านในจิตสำนึกของตัวท่านเองโดยสรุปมันคือวิญญาณของสรรพสิ่งดิพักโชปราโชคดวง ความบังเอิญคุณกำหนดได้